ได้ยินว่าพระเจ้าจุลณีเสด็จไปรักษาอยู่ณสถานที่หนึ่งคาวุฒใกล้ฝั่งคงคาด้วยเกรงพระเจ้าวิเทหราชจนีก็พระเจ้าจุลณีในเมื่อราตรีเงียบสงัดได้ทรงฟังเสียงร้องของกษัตริ์ทั้งสี่เป็นผู้ใคร่จะตรัสว่าเสียงนั้นเป็นเสียงพระนางนันทาเทวีแต่ก็หาได้ตรัสอย่างไรไม่ ด้วยทรงเกรงความเย้ยหยันว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระนางนันทาเทวีที่ไหนพระมหาสัตว์เชิญให้พระนางปัญจาละจันทีราชกุมารีประทับบนกองรัตนะแล้วอภิเศกในที่นั้นแล้วกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์เสด็จมาเพราะเหตุการณ์นี้พระราชกุมารีนี้จงเป็นมเหสีของพระองค์ เรือสามร้อยลำได้เทียบอยู่แล้วพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลงจากพลับผากว้างขึ้นสู่เรืออันตกแต่งแล้วแม้กษัตริย์ทั้งสี่ก็ขึ้นสู่เรือพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงค์ขึ้นสู่เรือแล้วมโหสถรู้ว่าพระองค์ขึ้นสู่เรือแล้วได้ถวายอนุสาสตว่า ข้าแต่สมมุติเทพผู้นี้คือปัญจาละจันทราชกุมารโอรสของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นพระสุระของพระองค์ข้าแต่พระจอมประชากรพระนางนันทาเทวีนี้เป็นพระสัตสูของพระองค์การปฏิบัติพระราชมารดาของพระองค์อย่างใดจงมีแก่พระสัตสูของพระองค์อย่างนั้นข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่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 พระนางจงเป็นพระมเหสีของพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ า, อ น, าอนุศาสต์อนุสาสิความว่าได้ยินว่ามโหสถนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าในการบางคราวพระเจ้าวิเทหราชอาจกริว้วแล้วฆ่าพระชนนีของพระเจ้าจุลนีเสียพึ่งสำเร็จสังวาสกับพระนางนันทาเทวีผู้มีพระรูปงดงาม พึงข่าพระราชกุมานเสียก็ได้จำเราจักถือปฏิญญาของพระเจ้าวิเทหราชไว้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวถวายอนุาสา์ด้วยคำว่านี้ของพระองค์อะยังเตเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าผู้นี้คือปัญจาลจันทราชกุมารโอรสของพระเจ้าจุลณีผู้เป็นพระสุระของพระองค์ อยังเตสสุโรความว่าพระปัญจาลจันทกุมารนี้เป็นพระโอรสของพระเจ้าจุลณีผู้เป็นพระสัสรของพระองค์เป็นพระกนิษฐาพาดาของพระนางปัญจาลจันทีบัดนี้พระเจ้าจุลณีเป็นพระสัสรคําว่าพระนางนันทาเทวีนี้เป็นพระสัตสูอยังสัตสุความว่า พระมารดาของพระนางปัญจาลจันทีนี้พระนามว่านันทาเทวีเป็นพระสัตสูของพระองค์คําว่าพระราชมารดาอย่างใดยะถามาตุความว่าบุตรย่อมกระทําวัดปฏิบัติแก่มารดาฉั้นใดพระองค์จงมีการกระทําวัดปฏิบัติแก่พระนางนันทาเทวีฉันนั้น ยังมาตุสัญญาซึ่งมีกำลังกว่าให้ปรากฏอย่าทรงแลดูพระนางนันทาเทวีด้วยโลภจิตไม่ว่าในการไรๆคำว่าโดยตรงนิยโกความว่าเป็นผู้เกิดภายในคือเกิดด้วยมารดาบิดาเดียวกันคำว่าควรทรงรักใครทยิตับโภได้แก่พึงประพฤติเป็นที่รัก คำว่ามเหสีภริยาความว่าพระนางปัญจาลจันทีนี้จะเป็นมเหสีของพระองค์พระองค์อย่าทรงดูหมิ่นพระนางนี้มโหสถบันดิตได้ถือปฏิญญาของพระเจ้าวิเทหราชอย่างนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงรับคำแล้วก็มโหสถไม่กล่าวอะไรอะไรปรารพถึงพระราชช น, นนีพระเจ้าจุลนี เพราะเหตุไรจึงไม่กล่าวปรารพถึงเพราะพระราชชนนีนั้นทรงพระชาราแล้วพระโพธิสัตว์ยืนกล่าวเรื่องทั้งปวงอยู่ริมฝั่งคงคาลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเป็นผู้ใกล้จะเสด็จไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ใหญ่จึงตรัสกะมะโหสถว่าพ่อเจ้าจะยืนอยู่ริมฝั่งคงคาทําอะไรแล้วตรัสคาถาว่า แมะ่โมโหสดเจ้าจงรีบขึ้นเรือเจ้าจะยืนอยู่ริมฝั่งคงคาทำไมเนาะเราทั้งหลายพ้นจากทุกข์แล้วโดยยากจงไปบัดนี้เถิดพระมหาสัตว์ได้ฟังรับสั่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพการโดยเสด็จพร้อมพระองค์ยังไม่ควรแก่ข้าพระองค์ก่อนแล้วทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า การที่ข้าพระองค์ผู้เป็นนายกแห่งเสนามาทอดทิ้งเสนางคณิกกรเสียเอาแต่ตัวรอดไม่เป็นธรรมข้าพระองค์จักนามาซึ่งเสนางคนิกกรในราชนิเวศกรุงมิถิลาที่พระองค์ละไว้และสิ่งของที่พระเจ้าพรหมทัตรประทานแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าธรรธรรมโมได้แก่สภาวะ คำว่าราชนิเวศนิเวสะนำหิท่านกล่าวหมายเอาพระนครคำว่าเอาตัวรอดปริโมจะเยได้แก่พึงปลดเปลื้องคำว่าที่พระองค์ละไว้ป ร, ริหาปิตังได้แก่พิ้งไว้มโหสดกล่าวคาถาดังนี้แล้วกราบทูลว่าก็เมื่อเหล่าชนมาแต่ทางไกล บางพวกเคี้ยวกินบางพวกดื่มบางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนหลับไม่รู้การที่พวกเราออกจากอุโมงค์แล้วบางพวกเจ็บป่วยทํางานมากับข้าพระองค์ตลอดสี่เดือนเป็นคนมีอุปการะแก่ข้าพระองค์ก็บรรดาชนเหล่านั้นมีมากข้าพระองค์ไม่อาจจะทิ้งแม้คนหนึ่งไปแต่ข้าพระองค์จะกลับนามาซึ่งเสนาทั้งปวงของพระองค์ และทรัพย์ที่พระเจ้าจุลนีประธานมิให้เหลือไว้ขอพระองค์อย่าเฉยช้าในที่ไหนรีบเสด็จขอพระองค์ทรงละช้างมา้าพาหนะเป็นต้นที่เหน็ดเหนื่อยแล้วเหน็ดเหนื่อยแล้วเสียที่ข้าพระองค์จัดไว้ในหนทางเป็นระยะแล้วเสด็จขึ้นพระยานามาตที่สามารถเข้าสู่กรุงมิถิลาเสียโดยเร็วพลันลำดับนั้น พระราชาได้ตรัสคาถาว่าแนบัณฑิตเจ้าเป็นผู้มีเสนาน้อยจักข่มพระเจ้าจุลนีผู้มีเสนามากตั้งอยู่อย่างไรเจ้าเป็นผู้ไม่มีกําลังจักลําบากด้วยพระเจ้าจุลนีผู้มีกําลังบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าข่มนิคไหหะได้แก่ครอบงําคําว่าจักลําบาก วิหันยิสัสสิได้แก่จากเดือดร้อนลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กล่าวคาถาว่าถ้าบุคคลมีความคิดแม้มีเสนาน้อยย่อมชนะบุคคลผู้ไม่มีความคิดที่มีเสนามากได้พระราชาพระองค์เดียวย่อมชนะพระราชาทั้งหลายได้ดุดดวงอาทิตย์อุไทยกำจัดความมืดฉนั้นบรรดาคำเหล่านั้น คำว่ามีความคิดมันตีได้แก่ผู้ประกอบด้วยความคิดคือมีปัญญาคือฉลาดในอุบายคำว่าไม่มีความคิดอามันตินังได้แก่ผู้ไม่ฉลาดในอุบายคำว่าย่อมชนะชินาติความว่าผู้มีปัญญาย่อมชนะผู้มีปัญญาสามคำว่าพระราชา พระราชาทั้งหลายราชาราชาโนความว่าพระราชาเห็นปานนี้แม้พระองค์เดียวก็ย่อมชนะพระราชาทั้งหลายที่มีปัญญาสามแม้มากเหมือนอย่างอะไรเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยกำจัดความมืดอาทิตย์โวอุทธยันตมังความว่าดวงอาทิตย์อุทยัยส่องแสงสว่างกำจัดความมืดฉันใด ผู้มีปัญญาย่อมชนะและย่อมไพรโรเรากกะดวงอาทิตย์ฉันนั้นก็แลครั้นทูลดังนี้แล้วพระมหาสัตว์ถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าเชิญพระองค์เสด็จไปเถิดแล้วส่งเสด็จพระเจ้าวิเทหราชทรงนึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์ว่าเราพ้นจากเงื้อมือฆ่าศึกแล้วหนอและความประสงค์ของเราก็ถึงที่สุดแล้ว เพราะได้นางปัญจาลจันทีราชธิดาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็บังเกิดพระปีติประโมทเมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณของมโหสดแก่เซนกะจึงตรัสคาถาว่าแนนเซนกาจารย์การอยู่ร่วมด้วยเหล่าบัณฑิตเป็นสุขดีเนาะเพราะว่ามโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือฆาสึก ดุดบุคคลปลดเปลืองฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในไายฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุขดีหนอสุสุ ข, ขังวะตะความว่าการอยู่ร่วมด้วยบัณฑิตทั้งหลายนี้เป็นสุขยิ่งเป็นสุขยิ่งกว่าหนอคำว่าอิติเป็นนิบาตลงในอัตว่าเหต มีคำอธิบายว่าแน่อาจารย์เสนกะเพราะมโหสถปลดเปลื้องพวกเราที่ตกอยู่ในเงื้อมมือ่าสึกฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าการอยู่ร่วมด้วยเหล่าบัณฑิตอย่างนี้นี้เป็นสุขดีหนาอาจารย์เสนกะได้ฟังพระราชดำรัสดังนั้นเมื่อจะสรรเสริญคุณของมโหสถจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า บรรดิต ท, ทั้งหลายนำความสุขมาแท้จริงอย่างนี้ทีเดียวมโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือ้าสึกดุดบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในขายฉะนั้นลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นจากแม่น้ำถึงบ้านที่มโหสถให้สร้างไว้ทุกระยะหนึ่งโยชนทั้งหลายที่มโหสถวางไว้ในบ้านนั้นนั้น ก็จัดช้างพาหนะข้าวน้ำเป็นต้นถวายพระราชาพระราชายังช้างมา้ารถที่เหน็ดเหนื่อยแล้วให้กลับเปลี่ยนสัตว์พาหนะนอกนี้ถึงบ้านอื่นด้วยสัตว์พาหนะเหล่านั้นล่วงมักคานึ่งร้อยโยต์ด้วยอุบายนี้รุ่งเช้าก็เสด็จเข้ากรุงมิถิลา